ทัศนะของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความสุขแนวที่สองกรณีที่ไม่เสเวยการมสุขข้อ2กอขั้นดีเลิศได้แก่การได้เสเวยความสุขอย่างประนีตที่มีความเต็มอิ่มสมบูรณ์ในตัวแล้วโดยที่จิตของบุคคลผู้นั้นหลุดพ้นจากความฝ่ปรารถนาต่อกามสุขไม่โน้มมา หรือไม่วกเวียนมหาการมาสุขนั้นอย่างเป็นไปเองโดยธรรมดาบุคคลเช่นนี้ย่อมหลุดพ้นจากปัญหาที่จะเกิดจากกรรมไปได้โดยสิ้นเชิงข้อ2ขอขั้นดีได้แก่การละกรรมมาสุขของผู้หวังจะได้และกำลังฝึกเพื่อจะได้ความสุขอย่างประณีตการละกรรมาสุขในกรณีนี้จะเป็นสิ่งสมควรต่อเมื่อบุคคลนั้นเบื่อหน่ายกรรมมาสุขแล้ว มีความพร้อมที่จะฝึกตนเพื่อเข้าถึงความสุขอย่างประนีตต่อไปหรือแม้ยังไม่พร้อมในแง่ของความเบื่อหน่ายอย่างนั้นแต่ได้มองเห็นอย่างทราบถึงโทษของกามและเล็งเห็นคุณของสุขที่ประนีตกว่าพร้อมทั้งมีความหวังว่าจะได้ความสุขประนีตนั้นและสมัครใจที่จะฝึกตนการสมัครใจและรู้ตัวว่ากำลังฝึกตนจะป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียเนื่องด้วยการกักกหรือฝืน แต่เมื่อใดไม่ต้องการจะฝึกหรือหมดกำลังศรัทธาที่จะฝึกเสียแล้วอย่างแน่นอนก็พึงยอมรับความพ่ายแพ้และเลิกการฝึกได้เช่นถ้าบวชเป็นภิกษุก็ลาสิกขาเสียโดยสมัครใจสำหรับผู้ทำเช่นนี้โดยสุจริตใจแม้แต่การศึกสึกบวชบวซึ่งตามปกติมิใช่เป็นวิธีการที่ท่านสนับสนุนเลยก็เป็นเครื่องช่วยทาให้เกิดความพร้อมจัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฝึกได้ด้วย เช่นพระจิตตะหัตาสารีบุตรที่บวชและศึกถึงเจ็ดครั้งแล้วในที่สุดได้บรรลุอรหัตผลเป็นต้นข้อ2คอขั้นสามได้แก่การละกามาสุขเนื่องจากปฏิกิริยาต่อกามแล้วแล่นไปสุดทางตรงข้ามประพฤติวัดเข้มงวดบีบคั้นตนเองระบายความเกลียดชังกามโดยเอากายตนหรือชีวิตเป็นเป้า ระดมทุกขเข้าทับถมตนการดีบคั้นตนเช่นนี้หรือการกักกดโดยขาดความหมายของความเข้าใจและการฝึกฝนที่กล่าวในข้อสองขอย่อมกลายเป็นการเบียดเบียนตนและกลายเป็นปัญหาทางจิตอีกอย่างหนึ่งพึงระลึกไว้ว่าพระพุทธศาสนาถือว่าการไม่เบียดเบียนตนเองเป็นหลักการสาคัญเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับการไม่เบียดเบียนผู้อื่นผู้ปฏิบัติด้วยฝืนหรือด้วยปฏิกิริยาเช่นที่กล่าวนั้นพึงแก้ไขด้วยการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการฝึกในข้อสองขอในสังคมไทยได้มีประเพณีการบวชอย่างหนึ่งเรียกว่าบวชเรียนซึ่งนอกจากเปิดโอกาสแห่งการบวชสาหรับผู้พร้อมที่จะฝึกตนเพื่อเข้าถึงความสุขอย่างประนีตแล้ว ก็ใช้การบวชเป็นช่องทางสำหรับให้การศึกษาแก่มวลชนด้วยการฝึกฝนเยาวชนทั้งด้านวิชาการศีลธรรมและวัฒนธรรมเป็นเครื่องเตรียมคนให้พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมผู้บวชส่วนมากบวชตั้งแต่อย่างเด็กตามความประสงค์ของผู้ปกครองเมื่อบวชได้ได้เรียนพอสมควรแล้วก็ตัดสินเองโดยสมัครใจว่าจะบวชอยู่ต่อไปหรือจะกลับคืนสู่เพศครหัด ด้วยความยินดีต้อนรับของสังคมโดยวิธีนี้ระหว่างที่บวชอยู่ผู้บวชย่อมรู้ตระหนักว่าตนอยู่ระหว่างการฝึกซึ่งถ้าตนไม่ต้องการอยู่จริงก็จะฝึกอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็จะละเลิกไปเมื่อเป็นเช่นนี้จิตก็ยอมรับความจริงได้และแม้แต่คนที่ไม่พร้อมก็อาจตั้งใจฝึกตนให้ดีที่สุดตลอดช่วงเวลาชั่วคราวนั้น วิธีฝึกโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงเช่นนี้จึงทำให้เกิดผลดีโดยไม่เกิดโทษที่เนื่องด้วยความกักกฎแล้วดิ้นรนออกนอกลู่นอกทางหรือหากมีโทษก็เหลือน้อยที่สุดโดยในยะนี้หากยังคงรักษาประเพณีบวชอย่างนี้ไว้ก็จะต้องเปิดโอกาสให้การศึกเป็นไปโดยสมัครใจอย่างเสรีด้วยจึงจะเป็นการชอบธรรมแก่บุคคลและก่อประโยชน์สุขแก่สังคม พระพุทธศาสนาสอนให้มองดูรู้เห็นและยอมรับสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่เป็นจริงสนับสนุนให้ฝึกตนเพื่อก้าวหน้างอกงามในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ที่มีความพร้อมและฝึกฝนตนอยู่ในระดับต่างกันก็อยู่ร่วมกันโดยสงบสุขปรารถนาดีและเกื้อกูลต่อกันส่งเสริมประโยชน์สุขอันชอบธรรมและความก้าวหน้าของกันและกันตามระดับ ไม่ขมขีบีบคั้นหรือมิ่นแคลนกันและกันร่วมกันสร้างบรรยากาศของสังคมให้มีความร่มเย็นไมตรีดีงามเจริญพัฒนาพร้อมไปด้วยกันกับความสงบสุข